วันนี้เป็นวันที่20สมิถุนายนพุทธศักราช 2,557 วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ดค่ำเดือนเจอีกสามวันพระคือสมอาทิตย์ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันบวชนาคและวันบวชพระ ของพวกเราอีกชุดหนึ่งบวชสามเดือนอที่จะเข้าพรรษาก็มีแล้วก็จะมีอีกรถสุดท้ายก็คงจะเป็นรับวันที่29ก็จะบวชวันที่6ชุดนั้นเป็นชุดที่เตรียมที่จะเข้าพรรษาแต่ไม่รู้ว่ากี่องค์เพราะว่าแสดงความจำงมาหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะ แต่ก่อนหลวงพ่อก็เคยจดไว้ว่ามีนาเข้ามาอยากจะบวชวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นาคชื่อยังไงมาจากที่ไหนหลวงพ่อก็เคยจดตะกอนนะพอต่อมาบางนาค ก, ก็ไม่พร้อมเลพอจวนจะมาบวชก็เบี่ยวก็มีเลยเพราะว่าอุปสรรค พ่อแม่ไม่สบายก็มีหรือว่าญาติพี่น้องอยากจะให้ไปบวชที่อื่นก็มีจากนั้นมาหลวงพ่อก็เลยไม่ได้จดไม่ได้บันทึกก็ไว้ว่าใครจะมาถึงวันนั่นแหละถึงวันที่ยี่สบเกถ้าใครไม่มาเลยก็แปลว่าจบกันแปลว่ามาไม่ได้บวชปีนี้แต่ามาถึงแล้วก็เอาบวชและนี่ก็คือการรับ นาคที่จะบวชในวัดของเราแต่คราวนี้ก็เป็นการบวชในระดับหนึ่งเระนวันพรุ่งนี้ก็ให้พวกเราเตรียมพร้อมเขคิดว่าน่าจะเที่ยงน่าจะจบในการบวชเพราะว่าบวชคงจะเป็น2ชดุดชุดละสบวดชชุดละ1ชั่วโมงประมาณเนี่ยนะโดยประมาณนะบวดชชุดละ1ชั่วโมงการอุปสมบท เพราะนั้นขอให้พวกเราผู้ที่บวชก็ดีผู้ที่เป็นญาติพี่น้องก็ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ปลื้มใจกับลูกหลานที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพ่อแม่โดยมากที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือที่มีญาติติโกโหติกาเคยบวชเป็นพระพอมีลูกชายขึ้นมาหลานชายขึ้นมา ก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วเออต่อไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะได้บวชให้พ่อให้แม่ให้ตระกูลของเราสิ่งเหล่านี้คือในจิตใจคนโบราณรล้ว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะได้คิดอย่างนั้นไว้เกือบทุกคนพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นพวกเราได้เกิดขึ้นมาแล้วกออ็ทำหน้าที่ ได้เรียนหนังสือเราวเป็นผู้ใหญ่อายุครบ20ปีบรรลุในติภาวะตามหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะบวชให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องปู่ย่าตายายซะก่อนเขาเป็นศริเป็นมงคลสำหรับตระกูลของพวกเราคนโบราณเขาบอกว่าคนที่บวชก็คือคนสุขคือรู้บุญคุณ รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ผู้ที่เขาบวชพอได้เรียนได้ศึกษาสมัยก่อนคนเราเกิดขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วมีอายุขึ้นมาก็ไม่ได้เรียนหนังสือพอบวชเข้ามาแล้วก็ได้เรียนหนังสือขอมหนังสือทำหนังสืออะไรต่อไม่อะไรเพื่อการศึกษา รู้แนวทางวิธีการปฏิบัติอันนั้นคนโบ ร, ราณเขาว่าคนสุกคือบวดมาแล้วได้เราเรียนได้เขียนได้อ่านอ่านออกเขียนได้เป็นนักปราชญอาจารย์ในชมชนของกลุ่มนั้นๆอันนี้คือคนโบ ร, ราณเขาถือกันมาแต่ยุคนี้สมัยนี้วิทยาศาสตร์การศึกษาเจริญขึ้นมาแต่ถึงยังไงก็ จเจริญทางโลกแต่ขาดธรรมะในด้านจิตใจก็หาความสงบสุขไม่ได้เหมือนกันแปลว่าขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีแต่ความรู้แต่ขาดคุณธรรมความรู้มากผล ใ, ใช้ความรู้ตัวเองไปในทางที่ไม่ถูกต้องเอารัดเอาเปียบคนอื่นหรือว่าเอาความรู้ของตนเอง ไปหลังแกเบียดเปลี่ยนคนอื่นผลในสุดความรู้ตัวเองนั่นแหะก็เลยพาตัวเองติดคุกติดตารางเอาตัวเองไม่รอดก็มีแต่ถ้าว่าพวกเรามีความรู้คู่คุณธรรมมีความรู้ได้ความรู้ความฉลาดในการศึกษาวิชาอาชีพวิชาคณิตศาสตร์วิชาการบัญชีวิชากฎหมาย วิชาการค้าวิชาการแพทย์มากมายแต่เราก็มีคุณธรรมในจิตใจด้วยมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีด้วยอั น, น, นตัแปลว่าคนนั้นพร้อมเข้าไปอยู่ในชุมชนสังคมก็เป็นที่ยอมรับของคนเป็นส่วนมากแต่ถ้าว่ามีแต่ความรู้อย่างเดียวมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบ มีแต่เจรังแกเบียดเปลี่ยนคนอื่นเพราะตัวเองฉลาดกว่ารู้กว่ามีความรู้กฎหมายได้ดีกว่าใครๆคนอื่นเขาโง่เพราะเขาไม่ได้เรียนผลในสุดเราก็เอาเปรียบเขาเมื่อเอาเปรียบเขาอี ก, อกสักวันหนึ่งเมื่อเอาเปรียบจนเคยชินจนลืมตัวผที่สุดตัวเองก็เลยเป็นผู้ติดคุกติดตารางซะเองก็มีมากต่อมากเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือให้มีความรู้ด้วยแล้วก็คู่คุณธรรมด้วยถ้าคนเป็นอย่างนั้นได้มีแต่ความเจริญร่มเย็นเป็นสุขทั้งตัวเองวงาาาศาคณะญาติประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วหน้าพไปหลายเพราะว่าคนมีคุณธรรม มีความรู้ด้วยคู่กับุนธรรมด้วยเพะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้มีหลายระดับเหมือนกันนะหลายระดับท่านสอนให้การอยู่ด้วยการมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอันนี้เปลว่าทานะคือทานทานการทบุญทําทานพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนาการทาทาน การทําทานไม่ใช่ว่ามีอะไรเลยเราก็จะทําไปเรื่อยอันนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังตําหนิอยู่นะ เ, เพราะว่าการทําทานนการให้ต้องเลือกการเลือกให้พระสุคตรทรงสรรเสริญคือให้ถูกกับกาละเทสะจังหวะบุคคลนะเขามีความจําเป็นทก่อนเราจึงให้เขาถ้าเขาไม่จําเป็นเราก็ดูว่าเขาไม่จําเป็น เราก็ต้องไม่ให้เขาเมื่อเขาจาเป็นเราก็ให้นี่แหละการเลือกให้พระสุคต ท, ทรงสารเสริจพนัการทาบุญทาทานเหมือนกับการหวานเมล็ดข้าวลงในเนื้อนาไม่ใช่ว่าเรามีเมล็ดข้าวแล้ว เ, เราจะปลูกเราจะหวานเข้าไปในป่าเลยเดีดเหมือนกันนั่นแหละหวานเข้าไปในปา่าในดวง ในพงหญ้าผลที่ได้มางอกเงยก็ เ, เต็มทนมันเสียหายเป็นส่วนมากาก่อนที่เราจะปลูกข้าว เ, เราก็ต้องดูเนื้อนาซะก่อนอปราวัชพืชซะก่อนไถปรับพื้นที่ดินให้ดีซะก่อน เ, อเราจึงค่อยปักดำแล้วก็ปลูกข้าวข้าวนั้นก็จะได้งอกเงยงอกงามขึ้นมาได้ อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่จะทําบุญเราก็ต้องดูเนื้อนาเหมือนกับเราทํานาเราต้องดูเนื้อนา เ, ออเวลาเราจะทําบุญก็เหมือนกันเราก็ต้องคิดดูให้ดีว่าผู้ที่จะรับทานผู้ที่จะรับไทรยทานของเราเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหน อันนี้เราไม่ได้สอนเข้าข้างตัวเองนะหลวงพ่อไม่ได้สอนเข้าข้างหลวงพ่ออินอันนี้สอนเป็นกลางให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นแนวความคิดให้ใช้ติใช้ปัญญาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลก เ, เมื่อหลุงพ่อตายไปแล้วนี่พวกเราก็ต้องได้คิดว่าหลวงพ่อนี่ท่านได้แนะนําบอกกล่าวว่าการทําบุญทําทานเนี่ยต้องเลือกอไม่ใช่ว่าหวานไปทุกแห่งหน พระพุทธเจ้าท่านท่านขึ้นไปสู่สวรรค์ไปโปรดพระมารดาที่แรกเทวบุตรองค์หนึ่งเข้ามาใกล้เข้ามากราบเทวบุตรองค์นี้เป็นผู้เกิดในระหว่างศาสนาศาสนาในระหว่างศาสนาต่อศาสนาอย่างพระพุทธเจ้ากัจปะกับปโคตมะเนี่ยนะเกิดในระหว่างกลางแต่เขาเป็นผู้มีศรัทธาเขาทําบุญ ใครเข้าวัดโรงทานเขานั้นตั้งเป็นกิโลกิโลต่อกั น, นใครเขา้าวโรงทานเหมือนกับเราตั้งเต็นต์นี่ยตั้งยาวเย็ดทําบุญทําทานเป็นกุศลทานให้คนทั่วไปคนมาไปว่ากินใช้ไปว่าให้ทานกับคนสาธารณชนคนทั่วไปต่อมามีเทพบุตรองค์หนึ่ง เข้ามาเทพประบุองค์นะั้นขยับออกไปล่ะเพราะว่าฤทธิอำนาจบา ร, รมีสู้องค์นี้ไม่ได้องค์นี้เหนือกว่าแต่องค์นี้ได้ทำบุญกับพระอนุรุทธะเทระในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบั น, นพอทำบุญจะไนดะ้ขึ้นไปสู่สวรรค์ท่านทำอะไรเขาเอาข้าวมาให้แก่ท่าน แต่ท่านก็เห็นเราควรจะทำบุญกับพระอนุรุท ธ, ธะพระอนุรุท ธ, ธะท่านออกจากนิโรธจะมาบัด ท, ท่านเป็นพระรหันต์มาทำบุญกับพระอนุรุท ธ, ธะทำบุญข้าวเพียงทับผีเดียว่ข้าวเพียงทับผีเดียวอันใสงฆ์มากกว่าที่เทพระบุตรองค์กรที่ว่าตั้งโรงทานเป็นกิโล พระองค์ก็เปรียบเทียบ ว, ว่านี่แหละการทำบุญกับพระอริยะกับพระอรหันต์มีอานิสงส์มากกว่าการทำบุญในปุถุชนคนทั่วๆไปแต่ใ น, นพระองค์ก็ยกเป็นพุทธภาษีขึ้นมาว่านาทั้งหลายมียากเป็นเครื่องกีดขวางบุคคลทั้งหลายมีความโกรธ เป็นเครื่องกรีดขวางแต่ถ้าว่าทาบุญกับผู้ไม่มีความโกรธอเนกสงฆ์มากเมื่อเขาเราวานข้าวลงไปในนาที่ไม่มีหญ้าะนะยหญ้ามันได้ผลแต่ถ้าว่ามันมีหญ้านะ่มันจะไม่ได้ผลทันก็เปรียบเทียบไปเรื่อยเลยท่านะีหญ้าเป็นปฏิปักษ์ในการหว่านพืชแต่กามลาคะเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจ การทำบุญกับผู้ปราถนากามราคะได้รับอันในสูงมากหนามีหญ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อการหวานพืชพระมีความโลภเป็นเครื่องกีดขวางถ้าผู้ใดทำบุญกับผู้ปราทถจากความโลภอันในสูงมากท่านก็ไล่ไปเลยเนี่ยคือราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลง สรุปแล้วก็คือถ้าหว่าทาบุญกับผู้ที่ปราถจากราคะโทสะโมหะเป็นพระอริยะบุคคลบุญกุศลจะมากมายมหาศาลนะสรุปแล้วนะเพราะนั้นในการทาบุญพระพุทธเจ้ายังให้เลือกนะเลือกทา น, นกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญนะเพราะนั้นการกระทาสิ่งไหนก็ตามเราต้องสำานึกไว้ในใจของพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านขณะทานอย่างเดียวพระพุทธองค์ก็ยังให้คัดเลือกหลังจากนั้นก็ศีลกัรักษากายวาจยให้เรียบร้อยอย่าให้มีโทษดึงศีลจากนั้นเรื่องสมาธิทำจิตใจให้มั่นคงพวกเราเข้ามาบวชในพุทธศาสน า, ศาเข้ามาปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดวาศาสนานี่นั่นละเรื่อง จิตภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นในพรรษาที่จะถึงนี้ อ, อ, อีกสามวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเ อ, อเมื่อเข้าพรรษาแล้วในพรรษาปีนี้ เ, เราจะไหว้พระทุกวันจะไม่ให้ขาดก่อนหลับนอนออไหว้พระก่อนตื่นนอนแล้วก็ไหว้พระอาหารหังสวากาโตสุปฏิปันโนทุกวันไม่ให้ขาดได้ไหมและในพรรษา ที่จะถึงนี้ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสัก20นาที10นาทีไม่ให้ขาดให้ได้24ชั่วโมงเนะี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนะ่ยเรานั่งภาวนาสัก2ี่สนาทีไม่ได้เหรอแต่ละวันนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือล้วนแล้วแต่ประกอบคุณงามความดีทั้งหมดนั่นแนหะแต่ทําอะไรให้มีสัจจะนะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจ อย่าทำอะไรแบบทำแบบหลอกๆนะหลอกตอนเองก็หลอกคนอื่นนะหลอกคนอื่นเหมือนนกย่างหลอกกินปูนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเปิดเป็นชาดกให้ฟังหลวงพ่อพูดจบไปแล้วนะอันนี้เราขอให้พวกเราทุกๆท่านประกอบคุณงามความดีในพรรษาที่จะถึงนี่นะอย่าหลอกตอนเองสรุปแล้วให้มีความสัต์จริงให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจ ข้าพเจ้าจะใส่บาตรทุกวันไม่แห้ขาดแต่บางคนเราอยู่ไกลห่างจากพระพระไม่ได้บินทบบาตรไม่เป็นไรถ้าเราฉลาดในการทำบุญเราก็ทำได้ทำยังไงสมมติว่า เ, าเราจะจะทำบุญกับวัดป่าบ้านตาดอย่างนี้หรือว่าจะทำบุญวัดไหนที่เราเคารพนับถือเลื่อมใสในปฏิปทาของครูบาอาจารย์ เราก็ใส่กระปุกเข้าไปใส่ตู้เซฟเข้าไปหรือใส่กระป๋องเข้าไปทุกวันนี่มันมีต่างเยอะแยะแบบยอดกระป๋องเออวันนี้เราจะถวายกล้วยออหอมสักสี่ใบถวายพระสี่องค์ตักบาทพระสี่องค์วันนี้กล้วยหอมใบละเท่าไหร่ใบละห้าบาทหรือใบละสองบาท เ, ออเราก็ใส่เข้าไปในกระปุกเออวันนี้เราจะถวายนมพระสงฆ์สีองค์ ครบสงหรือห้าองเราขนมกล่องละเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเออวันนี้เราจะถวายกล้วยเตีเอาไว้ครูบาอาจารย์สักห้าององละถวล้วยฮเราก็เอาปัจจัยใส่เข้าไปในกล่องนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญ เ, เสร็จแล้วก็เมื่อถึงเดือนหรือออกพรรษาแล้วเรานําไปถวายท่านเออปัจจัยนี้ผมใส่บาตรทุกวันนะ สำหรับถวายพระสงฆ์เป็นค่าพรตทหารพระสงฆ์ในพรรษาหรืออกอกพรรษาขอครูบาอาจารย์ได้ใช้จิตุปัจจัยได้เป็นค่าอาหารเนะ่าหรือถวายเป็นปันจจัย4ของวัดของครูบาจารยนะ์เน่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าคนฉลาดในการทําบุญนะถ้าว่าไม่ฉลาดหรือว่าไม่มีศรัทธาแล้วมา ก, ก็ว่าไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึง ถ้าผู้มีศรัทธาก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นพอเราต้องหาวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตจะให้เปล่าประโยชน์ให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญพูดง่ายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก หลวงพ่อเอาอะไรมายืนยันถึงขนาดนั้นให้นั่งภาวนาหลวงพ่อบอกหละให้พวกเรานั่งภาวนาแต่หลวงพ่อบอกว่าไฟมันร้อนนะหลวงพ่อเอาอะไรมาพูดทำไมบอกว่าไฟมันร้อนออให้จับดูพอจับดูเราจะรู้ได้โอ้ใจร้อนเออมันร้อนมันเป็นอย่างนี้เองนะถ้าเราอยู่ไกลๆไฟมันร้อนเพียงแต่เนี่ยเราก็ไม่เชื่อมันจะร้อนได้ยังไงไฟ嘛 แต่พอเราจับถูกไฟเท่านั้นละ่ะไฟไม่มือเท่านั้นละ่ะรู้ได้เ อ, อ้ใช่ไฟมันร้อนอย่างนี้เองนะอันนี้ก็เหมือนกันนะตายแล้วเกิดนะเออหลวงพ่อจะเอาอะไรมาพูดให้นั่งภาวนาหลวงพ่อบอกให้นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างพระประธานนะนั่งต่อหน้าของพวกเรานะเนี่ยนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ไม่ต้องคิดถึงอดีตอดีตคือเมื่อวานวันก่อนอดีตน่ยอนาคตเกิดจะวันพรุ่งนี้มาลื้นนี้เฮ้ยไม่ต้องคิดไม่ต้องทรงออกไปให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนะมีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนะในเมื่อจิตใจของเราอยู่ที่ปลายจมูกนั้นนะจิตใจจะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วเท่านั้นแหะเน่งเลย พอนิ่งกายกับใจใจกับกายรู้ได้ชัดเลยไงร่างกายกับใจใจกับร่างกายของพวกเรามันคนละแนวกันนะเสร็จแล้วเราก็รู้ได้โอ้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าตายแล้วเกิดอีกโอ้ตัวใจนี่เองตัวรู้เนี่ ย, ยมันไปเกิดแต่ร่างกายถาดสีดินน้ำลมไปของร่างกายเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายคองเราตายแน่ๆเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆแต่ว่านามธรรมมคือจิตใจตัวรู้ตัวเนี้ยจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นนะเราจะเห็นได้ชัดไม่ต้องถามใครเลยนไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ว่าปัด จ, จัดตังรู้ได้เฉพาะตน คนอื่นกับมีแต่พูนแนะให้เท่านั้นเองที่จะรู้ได้เห็นได้รู้จริงเห็นจริงเนี่ยตัวเองเท่านั้นละ่ะคนอื่นจะกินอาหารแทนเรากินไม่ได้เห็เขากินเขาค่อยอิ่มเขาตัวเองกินค่อยอิ่มเราหละความรู้ก็เหมือนกันเห็เขาเรียนก่อไก้ขอใค ร, ใครบวกลบคูณหารเขาก็ได้ความรู้ของเขาถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้อ บางสิ่งบางอย่างมันแทนกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันแทนกันไม่ได้นะแไม่ใช่ว่าจะแทนได้ทุกอย่างไม่ใช่คนหนึ่งขี้เกียจเรียนหนังสือให้คนหนึ่งไปเรียนแทนไปไปเรียนแทนค่าไปอ่าพอไปเรียนเขาก็ได้ความรู้เขาเพราะตัวเองไม่เรียนจะได้ความรู้ได้ยังไงนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะให้เปรียบเทียบแเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบใน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, นํามาคิดนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมานั้นเมื่อฟังแล้วชายมีเหตุผล เ, เราก็ต้องลงมือปฏิบัติทนเองเลเมื่อลงมือปฏิบัติเราจะเห็นผลแห่งการปฏิบัติของพวกเรานะพระนอใหยพวกเราทุกทกท่านนะตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคณะสัาญาติโยม ในพรรษาที่จะถึงเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรสำหรับพระสงฆ์ก็เหมือนกันผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดวาศาสนาในพรรษานี้จะวางตนอย่างไรควรจะวางแผนไว้เหมือนกันนะแต่บางองค์ไปหาติดบุรีสูบบุรีหยุดเท่าไรก็ไม่ได้มันอ่อนแอมันปวกเปียกจิตใจไม่มีกำลังเข้มแข็งถ้ามีจิตใจเข้มแข็งนะมันอยู่กับใจของเราทั้งหมด ถ้าเราไม่คิดซะก่อนมือเดียวไปจับมาใส่ปากเราได้ยังไงถ้าเราไม่คิดจุดยานะข้าไม่เอาอีกแล้วเพียงแค่นั้นมันก็จบได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปจากใจทั้งหมดเราเคยเห็นหคนตายเอาบุหรี่มาสูบมีแต่คนที่มีชีวิตอยู่มีจิตมีใจเท่านั้นเพราะนั้นเรื่องใจในยสำคัญใจจะให้มันไปทางไหน จะให้ไปทางดีจะให้ไปทางเร็วมันเลือกได้ทั้งนั้นละ่ะเพราะนั้นพวกเราต้องเอาเหตุผลมาใส่ตัวเองแล้วก็ตัดเด็ดขาดสัจจะคือความจริงจังและจริงใจต้องมีสัจจะนะถ้าคนมีสัจจะและดีทั้งนั้นหละนะแต่ขอสัมพันธ์จะไปสัจจะไปในทางที่เร็วที่ชั่วเท่านั้นนะถ้าสัจจะไปในทางที่ดีเนี่ยเลิศประเสริฐ ตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีสัจจานะทำอะไรให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจทําอะไรให้จริงที่มันถูกต้องแล้วยึดเมื่อพิจารณาเหตุผลไปแนวแถวนี้แล้วเหตุผลเนี้ยถูกต้องที่สุดแล้วเนะี่ยพิจารณาการกลองไตรตรองเมื่าอะไรกัเหตุผลให้ถูกต้องแล้วตั้งสัจจะใส่เลยถ้าคนมีสัจจะแล้วนะพอ ตั้งสัจจะอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะทำปฏิบัติตามนั้น น, ะนี่แหละเอาชนะได้ทุกอย่างเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทุทันนะตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีวันนี้หลวงพ่อขอพูดตอนนี้นะแนละ้วจากนี้หลวงพ่อจะขอพักผ่อนก่อนแต่ตาม่จริงเขาให้พักผ่อนมากๆแต่หลวงพ่อ น, นุนถึงข้าวมากมันจะมากไหม เ, เวลาตายไปนอนอยู่ในโลงเลย เป็นหลายเดือนเยยังนอนได้เนี่ยข้านับจะนอนพักเต็มที่ว่ะเอานั่งภาวนาแล้วลูกหลานนะนั่งกัดสมาธิเลยทุกคนนั่งสมาธิพอนั่งกัดสมาธิแล้วก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนะไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นค่อยเอามือลง พอเมื่อลงเนีก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุธธูพุธธูพุท ธ, ทท ธ, ททธทเูเรามาศึกษาอยู่กับวัดของหลวงพ่อวัดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเราต้องภาวนาแบบหลวงปู่มั่นถ้าเราไปที่อื่นแล้วยังภาวนาอย่างอื่นมาอยู่ที่นี่เราต้องภาวนาพุธธเนะเอพอแม่ครูบาอาจารย์ของเราเห็นผลแล้วที่ท่านนามาประพุทธปฏิบัติ บ, ตบอกกล่าว ว่าดันั้นพวกเราต้องฝึกพุทโธไว้ก่อนเอานั่งภาวนาแล้วลูกหลานนะนั่งกดสมาธิเลย